อยู่เพื่อลูกเพื่อหลานคงจะเป็นเพราะหลวงตาเห็นว่าท่านชราภาพมากขึ้นด้วยความห่วงใยลูกหลานเกรงจะไม่มีหลักใจเป็นที่พึ่งที่เกาะทำให้ในระยะหลังมานี้ ท่านมักจะเทศเตือนอยู่เสมอๆ ม, มิให้เผลอเพลิน อ, อยู่ในความประมาทแต่ให้พากันรีบเร่งผวนขวายสร้างคุณงามความดีประดับตนให้มากท่านย้ำแล้วย้ำเล่าในเรื่องบาปบุญคุณโทษว่าเป็นของมีจริงนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีจริงจงอย่าได้ท้าทาย คำกล่าวในบทนี้แสดงถึงความเมตตาของท่านที่อุตส่าห์ย้อมเหน็ดเหนื่อยทุ่มให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยประการต่างๆแก่โลกตลอดมาทั้งนี้ก็ด้วยหวังจะให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังได้เห็นแบบฉบับที่ถูกต้องและพากันยึดถือเป็นคติตัวอย่างอันดีงามแก่ตน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 หลังจากนี้แล้วเราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตการจะเกิดซ้ำซ้ำซากตายแล้วตายเล่าตายเกลื่อนตายกล่นวุ่นวายอยู่ตั้งแต่ชาตินี้ย้อนหลังเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดมาตายอย่างนี้อีกต่อไปเราถึงที่สุดวิมุตหลุดพ้นแล้วในหัวใจของเราใครจะว่าเราบ้าก็าให้ว่าไปเราไม่ได้พูดออกวิความเป็นบ้า เราพูดออกด้วยความเป็นธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นธรรมอย่าไปหาว่าหลวงตาบัวนี้โอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้นัน่นแหละกิเลสมันเข้าไปย่ำยีตีแหลกไปตีตลาดแล้วนะนั่นแนละแล้วแทนที่จะได้ผลประโยชน์จากคติธรรมที่ท่านสอนนี้กลับไปเป็นฆ่าศึกต่อตัวเองเผาหล่นตัวเอง ว่าหลวงจะบัวโอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อวดอะไรของปลอมมียังแสดงออกได้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารจนหาที่อยู่ไม่ได้เพราะของปลอมทั้งนั้นของจริงมีแสดงออกมาไม่ได้มีอย่างหรอถ้าอย่างนั้นศาสนาก็หมดแล้วในประเทศไทยเราพุทธศาสนาไม่มีแล้ว ผู้รู้ของจริงเห็นของจริงนำของจริงออกมาพูดไม่ได้ว่าเป็นการโอ้อาอวดเห็นไหมกิเลสเอารัดเอาเรียบกิเลสเยียบย่าทําลายหมดไม่ให้พูดของจริงให้พูดแต่ของปลอมเรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองพูดได้ทั้งนั้นถ้าพูดของจริงพูดไม่ได้นี่เห็นใหม ศาสนาจะหมดแล้วนะถ้าของจริงพูดออกมาไม่ได้พระอรหันต์ท่านรู้แล้วจึงประกาศธรรมสอนโลก รู้จริงเห็นจริงอย่างนี้เราพูดตามเรื่องความรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านรู้จริงเห็นจริงท่านประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงทําแบบเดียวกันและพระสาวกเหมือนกันเมื่อรู้ธรรมแล้วก็ประกาศธรรมสอนโลก คือเอาความจริงออกสอนโลกนี่ก็ความจริงอันเดียวกันเรานำมาพูดนี้จะผิดไปที่ตรงไหนแล้วพูดให้ฟังนี้ก็พูดให้พุทธบริษัทบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเสียด้วยไม่ได้พูดให้ที่ไหนที่ไหนที่อื่นๆฟังซึ่งเขาไม่ได้สนใจในอัดในธรรมเราพูดให้เลือดเนื้ออันเดียวกันฟัง ด้วยเจตนาหวังดีและความเมตตาอย่างยิ่งล้นพ้นอยู่ในหัวใจของเราแล้วจะผิดไปที่ตรงไหนนอกจากจะเป็นสริมงคลแก่ผู้ฟังได้ยึดถือไปเพราะฉะนั้นเราถึงทำทำให้สนุกมือว่างั้นเลยการทำคุณงามความดีทำเสียจนกระทั่งทำไม่ได้แล้วเราจะหยุด เราหยุดเราหยุดจริงๆด้วยไม่วกไม่เวียนอีกการเกิดการตายดังบทภาสิทธิที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีทั้งห้ายานันจะปณะเมยัสสนังอุดะปาดิยานอัล้ัเลิศประเสริฐสุดความรู้ความเห็นอัลลำเลิศประเสริฐสุดได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราสถาคต นั่นข้อหนึ่งข้อที่สองอะกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบอีกแล้วคือความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีการกำเริบแล้วอยะมันติมาชาตินี่เป็นที่สามชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตนัตติดานิ ปุณภาวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดอีกตายอีกทุกอีกของเราไม่มีอีกแล้ว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 อย่ามานิมนหลวงตาบัวนนะเราเอาคอนป่าอย่าว่าไม่บอกนะ ที่ตายลาโลกเพราะเหตุอะไรจึงว่างัน้นหลวงตะบัวตายนี้บอกชัดๆเลยว่าไม่ให้นิมนต์พระมากุศลธรรมมาเราสร้างมาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจของเราเราไม่สงสัยแล้วในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะพระไตรปิฎก ไม่ว่าจะทำความจริงทั่วไตรโลกธาตุเราบรรจุเข้าในหัวใจนี้หมดแล้วเราไม่ได้สงสัยแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาหลวงตาบัวตายแล้วไปไหนหนาไปสันพระสันมีดนี่เราจะว่าอย่างนั้นเราไม่ว่าไปไหนละ ถ้าสร้างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วสงสัยไปไหนแล้วสงสัยอยู่สอนคนไปหาอะไรถ้าเรายังสงสัยอัธรรมอยู่แล้วสอนคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ยังไงนี่เราสอนคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเรานะสอนด้วยความแน่ใจไม่ได้สงสัยเลยและตายแล้วจะไปสงสัยตัวเรายังไงนี่อันหนึ่ง อันที่สองนี้ให้เป็นตามอัธยาศัยของเราเองเวลาเราจะตายจริงๆเราเข้าห้องปับ๊บนี้เป็นตามอัธยาศัยของเรานะเราอยู่คนเดียวถึงวาระที่จะตายแล้วเราเข้าห้องปับ๊บจะทําวิธีไหนก็ตามจะนอนก็ตามจะนั่งก็ตามทําพิธีตายลาโลกลาสงสารลาการไม่กลับมาอีก ดีผึ่งเดียวเท่านั้นไปเลยศพนี้ขออย่างเดียวอย่าเอาไปประกาศเป็นปลาเน่าขายให้มแมลงวันมแมลงวนมันกวนยุ่งนะศพหลวงตะบัวตายนี้จะเป็นปลาเน่าประกาศขายลั่นโลกอยู่นะมันจะประกาศลั่นไปหมดนั่นละ่ะ มันไม่ได้ส่อแสแวงหาบุญหากุศลมันหาแต่เงินหาแต่ไอ ห, หลังลายแล้วหลวงตาบัวก็เลยกลายเป็นสินค้าไอ ห, หลังลายไปเลยแหลกไปหมดอันนี้เราขอจากพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธของเราไว้ตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มีอย่าให้เป็นให้ทำกันด้วยความ ส, มบสงบเสงี่ยมตายแล้วสองสามคน ขึ้นไปเผาเท่านั้นพอแล้วอย่ายุ่งยามยุ่งยามอย่าเอายศถาบรรดาศักมาเหยียบย่ำทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นธรรมล้วนธรรอะไรให้เป็นธรรมล้วนนั้นเป็นที่พอใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าทรงชมเชยอย่างนั้น ศพลวงตะบัวนี้เรียกว่าเด็ดขาดเลยนะคอยแต่เวลาจะเผาหลวงตะบัวเท่านั้นแหละเรื่องจะก้าวเดินตามนี้ทั้งหมดแยกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่ว่าเงินที่ท่านผู้มาบริจาคทั่วประเทศไทยของเราที่มานี้เราจะนําเงินหมดทุกบาททุกสตางค์ยกให้คลังหลวงของเราหมดเป็นวาระสุดท้ายของเรา ที่จะช่วยโลกอย่างเต็มหัวใจอันนี้เป็นคำพูดของเราที่เด็ดขาดแล้วไม่มีเคลื่อนไหวไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยละ่ะเรียกว่าคำพูดที่เด็ดขาดตายแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะเด็ดตลอดจนกระทั่งตายแล้วศพยังเด็ดอีก เด็ดวางลวดลายไว้วาระสุดท้ายแล้วเพราะตายไปตอนนี้เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเราบอกตรงๆเลยจะเป็นวาระสุดท้ายของเราที่ตายกองกันในวัฏจักรนี้กี่กับกี่กันมาเราเคยตายมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วกี่พบกี่ชาติคราวนี้เลิกกันเพราะฉะนั้นจึงอุ้มชาติไทยของเรา เต็มสติกำลังความสามารถจากนั้นสุดวิสัยแล้วของธาตุขันที่จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้เป็นอันว่าดีดปั๊บทันทีดีดแล้วก็เท่านั้นไปเลยคำว่านิพพานธาตหรือธรรมธาตเราไม่ถามใครแล้ว ดอกบัวผู้เหนือโคลนตม่มท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตประมาจารย์ฝ่ายกรรมฐานแห่งยุคปัจจุบันและเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน ท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยพนานาคุณชาติของคำว่าบัวไว้ว่าธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีมีอุปมาดัง่งดอกปทุมชาติอันสวยๆงามงาม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 ไม่ได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นเลย 163าไร่22ตารางวาหางจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางที่ใต้ประมาณ16กิโลเมตรสภาพพื้นที่เป็นที่รารบรอบๆเป็นที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำดีทำนาได้ผลดีกว่าที่อื่นสภาพภายในเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบเรียบง่าย ด้วยเหตุที่มีกำแพงล้อมรอบบริเวณอย่างมิชิตจึงรักษาต้นไม้และสักป่าให้รอดพ้นจากการทำลายหรือการลักลอบเข้ามาฆ่าสัตว์ในบริเวณได้บรรยากาศในเขตอภัยทานแห่งนี้จึงร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันและเป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่น และปลอดภัยแกสัตว์น้อยใหญ่หลากชนิดอาทิไก่ป่ากระรอกกระแตแย้นกที่นั้นคือวัดป่าบ้านตาเมื่อก้าวย่างเข้าสู่บริเวณวัดจะสัมผัสกับความร่มรื่นชุ่มตาเย็นใจกับธรรมชาติของป่าได้ยินเสียงของแมลงมีปีกหมูใหญ่ ร้องเสียงกล้องกังวานสนัน่นไพรในบางฤดูกาลปะปนด้วยเสียงขันของไก่ป่าซึ่งออกเที่ยวหากินยางแข็งขันชนิดไม่มีวันหยุดงานเหมือนมนุษย์เราครั้นเดินต่อไปอีกประมาณห้าสิบเมตรจะพบศาลากา ร, ปรเปลี่ยนอเนกประสงค์ซึ่งเป็นศาลาไม้เนื้อแข็ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังใหญ่และมีเพียงหลังเดียวในวัดนี้เดิมทีเป็นศาลาชั้นเดียวยกพื้นเตี้ยแต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้านบนศาลานั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัดชั้นต่างระดับ ที่ใช้สำหรับตั้งพระพุทธรูปบนชั้นมีรูปถ่ายของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่นดังนี้หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลวงปู่ฟัน่นวัดป่าอุดมสมพรท่านพอ่อหลีวัดอโศการามด้านหลังพระพุทธรูป บนฝาผนังมีรูปถ่ายของหลวงปู่เสาท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ข้างขวาสำหรับข้างซ้ายของพระพุทธรูปมีพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีตู้ด้านขวาของพระพุทธรูปนั้น เป็นที่ประดิษฐานอัติธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นภูริชตะเถระรวมทั้งอัติธาตุของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆหลวงตาใช้สถานที่ชั้นบนของศาลาแห่งนี้แสดงธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด ต, ตลอดจนเป็นที่ประชุมทำสังฆกรรมร่วมกันเช่น สวดพระปาติโมกอธิษฐานเข้าพารรษาสวดปวารณาและกรานกริถิ่นเป็นต้นด้านล่างศาลานั้นใช้เป็นที่สำหรับฉันพัฒหารเชา้านอกจากนั้นหลวงตายังใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาและปฏิสันฐานกับสัทธาคารวะญาติโยที่มาจากทุกสารทิศ ยางไม่ขาดสายไม่เว้นแต่ละวัน เนนที่พักของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูปเป็นร้านเรียบง่ายคล้ายกระท่อมเล็กๆพอแก่การบังแดดฝนหรือลมและเพื่อป้องกันการรบกวนจากสัตว์ด้วยคลางหรือการความชื้นจากพื้นดินและอื่นๆจึงยกร้านให้สูงขึ้นจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรถึง 1เมตรห้าสิบเซนติเมตรร้านมีขนาดเพียงพอสำหรับนอนคนเดียวมีหลังคาสังกะสีผนังทั้งสีด้านใช้ผ้าแป้งดิบหรือจีวรเก่าๆขึงแทนฝาเพื่อกันลมกันฝนและใช้มุงกรดกันยุงภายในใช้เก็บบริขารที่จำเป็นของพระภิกษุสา ม, มเณรเช่นบาท กลดไตรจีวรเสือผ้าหม่มตะเกียงเทียนไขหนังสือธรรมะและของใช้ที่จำเป็นอื่นๆด้านหัวนอนจะมีพระพุทธรูปหรือรูปครูบาอาจารย์ติดไว้เพื่อกราบไหว้บูชาเป็นอนุสติและ เป็นกำลังใจในการบำเพ็ญภาวนารอบๆ ร, ร้านมีบริเวณพอเหมาะไม่กว้างจนเกินไปทุกๆร้านมีทางเดินจงกรมอย่างน้อยหนึ่งสายอยู่ใกล้บริเวณและมักทำไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่ทางจงกรมมีขนาดกว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวประมาณย5ห้า ถึง39เดินปกติในยามค่ำคืนขณะเดินจงกรมจะใช้โคมเทียนจุดสว่างพอมองเห็นทางร้านเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วบริเวณภายในวัดแต่ละร้านจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อให้มองไม่เห็นกันทางที่จะเข้าไปถึงร้านเป็นทางแคบคดเคี้ยวเลี้ยวลด ซึ่งทําให้มองเห็นร้านได้ยากพระเนนที่เข้าพักในร้านจึงเหมือนเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งท่ามกลางป่าลึกเพียงองคเดียวอันเป็นโลกแห่งความสงบร่มเย็นไกลจากเสียงรบกวนใดๆทั้งปวงจึงสับปายะสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมสําหรับกุฏิที่มีฝาผนังทาด้วยไม้ถาวร มีประมาณสิบกว่าหลังโดยมากเป็นกุฏิของพระเถระภิกษุสูงอายุหรือกุฏิรวมของฆราวาดที่มาพักภาวนาชั่วคราวช่วงสั้นๆซึ่งมีแนวเขตจัดแยกออกจากกันระหว่างพระภิกษุสามเณรฆราวาสชายและหญิงอย่างเป็นระเบียบ